เปลี่ยนตัวเปิดทำทุ๊กขันใาจถือว่าเป็นกัญญาณมิตรอาจจะถือว่าเป็นครูบาอาจารย์อะไรถือเป็นครูอาจารย์ก็ของพ่อใหญ่ของปู่ของเราก็เกียดเพราะว่าเป็นผู้ที่ให้ําเนิาในการสอนการเจริญสติปัฏฐานแบบการเคลื่อนไหว ซึ่งในยุคนี้สมัยนี้่แต่ตัวผมเองที่เขามาศึกษาเรื่องของศาสนาก็มาเห็นแล้วก็เปลียนเนียเป็นผู้ที่สอนเรืนน่องนี้ก็ทำให้ทุกชีวิตกันใหม่ๆขึ้นมาทำให้ชีวิตจิตใจเปลี่ยนแปลงไปได้จริงๆการพูดกันในวันนี้ก็ให้ถือว่าเป็นพูดในฉันนิด เป็นเพื่อนเพื่อนคณะนิสิตผู้ที่กาลังจะศึกษาร่วมกันไปว่าสิ่งที่จะพูดนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องที่มีอยู่กับตัวเราทุกโลกทุกนามเกี่ยวกับการศึกษาการปฏิบัติ <c oughs> แต่กระทุกคนก็ทําได้สามารถที่จะเลืแจ้งเห็นจริงสามารถที่จะทําให้ใ จ, ใจิตใจพ้นภาวะเก่าได้ เกิดความทิดได้สลาดได้คำตอบว่าบนุนออะไรบาปเอ่อรสวนนรกมันเป็นอย่างไรมากคนใน่ผ่านเตือนใดอย่างน้อยเราก็ต้องเข้าใจได้คำตอบให้เพียงพอพอตัวกับการที่พวกเราได้นับถือประพฤติกาศขนาในด้วยกิริยาพยายามติกใาให้รู้โดยจะพบวิธีปฏิบัติธรรมวิชากรรมฐานที่เรา ทำอยู่ที่วัดโมกเนี่ยมให้คําตอบให้เรื่องเหล่านี้จริงๆเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาเรื่องพระพุทธธรรมพระสงฆ์เรื่องบุญเรื่องบาปทุกท่านจะได้คําตอบว่าการสัมผัสกับบุญมันเป็นยังไงการ <c oughs> <c oughs> ที่สัมผัสกับบาปมันเป็นยังไง สัมผัสกับนรกสะบวันมันเป็นยังไงเราจะรู้จักเจ็ดหลาบไหมจะรู้จักป้องกันตัวไหมโดยที่คนเด็กไม่ต้องบอกต้องห้ามเป็นการสัมผัดดสโดยตนเองการที่ทำอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาการที่ไม่ทำอย่างนี้มันไม่เกิดอยงนั้นขึ้นมาจนเราได้เห็นอันนี้สงว่าโอ้พอทาอย่างนี้พอทำอย่างนี้ มันจะมีอนี้เพราะไม่ทำอย่างนี้มันจึงไม่มีอย่นี้ <c oughs> นี่ก็เป็นคำตอบของเจริะลูกเจริญนามไปตอบให้กันไม่ได้เจ้าพุทธบริษัทเรามักจะถามอยู่ตลอดเวลาทำอย่างนี้ได้บุญไหมทำอย่าง น, นี้ได้สวรรค์ได้ไกลในขานไหมที่จริงส่วนใหญนี้ไม่มีคำถาม การถามคนเด่นนั่นยังนั่นยังไม่ผูกคนเดินตอบให้ก็ยังเท่าไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ต้องเป็นตัวเองตอบเอาเป็นตัวเองตอบเอาเองคำพันเอาเองอยากจะพูดทีเลยว่าสมัยทุกวันนี้นะมันไม่ใช่สมัยที่เราตึกไปแล้ว เป็นสมัยที่พวกเราจะต้องค่องแคลวในทุกๆด้านทางจิบจินดามีคุณภาพยิ่ง ข, ขึ้นกว่าสมัยก่อนคนทะเลาะกันวิวาทกันเสียงกันข้ามบ้านข้ามเมืองไม่มีเหมือนเมื่อก่อนแต่ในใ จ, จนผู้ร่ายก็อาจจะไม่มีกล่าวมาพัฒนาชีวิตเราเหมือ น, นกับทุวันในการสุบรีมันเป็นการลาาสมัยไปเสีแล้ว ทุกคนก็ต้องรู้ว่าบุรีมันมีโทษมีอะไรอย่างไรเราไม่รู้คนเดินพอรู้กันทั้งหมดเด็ก็ก็รู้แล้วเราก็ไม่ควรที่ไปจูบบุรีในความโกรธความทุกข์ก็ไม่ใช่สมัยที่เราจะมาโกรธระทุกแล้วทุกวันนี้ถ้าใครยังโกรธยังทุกข์อยู่ก็จะว่ายังล้ายสมัยอยู่มีแหล่งที่ทาให้เราศึกษาเยอะๆถ้าน้อยก็ต้องวัดโมกไหละ ขอประกาศเลยว่าอิฐทาที่อยู่ที่นี่ทุกสอนที่อยู่ที่นี่สอนไม่ให้พกุกสอนไม่ให้โกรธ ส, สอนให้หลงสอนให้มีสติแต่ถ้าะสะรุปแล้วก็คือว่ามันมีอยู่สองอันนะเรื่องใหญ่ๆของชีวิตเราอีฐ ท, ทางอยู่สองเส้นอันหนึ่งมันหลงอันหนึ่งมันรู้พอหลงจนงพกุกพอหลงจึงโกรธพอหลงจึน คื่ตกกัวงวลไม่หลงมันก็ไม่โกรธไม่ทุกข์ไม่เจ้ามองวิธีที่ไม่หลงก็ยังไงอาจจะเรียนปติสัมภารให้มีตั้งให้มากบางคนก็ทํ า, ทาไม่ได้ก็ ท, ทําไปมันคิดโน่นคิดนี้อยากเป็นจปปฏิเสทุกคนมีจิตทุกข์ที่จะต้องทำได้อยู่ไม่ยกเว้นใครมีคําสอนอยู่อยมองคนทุกคน จังเสียงทุกเสียงให้เป็นเสียงพระสวดมนต์ดูคนทุกคนว่าเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนสอนิพพานที่ตรงนั้นเป็นคำสอนที่น่าฟัง น, นะทุกคนเป็นพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้านี่สองภาษาพระพุทธเจ้าภาษาคนก็คือเจ้าชายเจ้าก้าชายสุทธะ โลกของพระเจ้าสุโัฒนะสีท่ทวีเดียตั้งแต่ก่อนเรายังไม่เกิดสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ปมาแล้วพระเจ้าองค์นั้นเป็นพระเจ้าภาษาคนเราไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้ได้เป็นโลกล่างลักษณะงดงามจนทําให้คนรบุตรคนหนึ่งชื่อว่าวัคณิหลงพลูกของพระองค์ท่านจนได้บวดติดตามเพื่อจะได้อยู่ อยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าจริงพระองค์ก็ปฏิเสธเอออ้พระนุ่มรูกนี่นจะหลงเราสิแล้วเห็นว่ารูกนี้เป็นพระพุทธเจ้าเ อ, อเห็นว่ามันจะไล่ประโยชน์ก็ไล่นี้ไปซักแล้วก็ลื้อเสียใจถกหักจะไปฆ่าตัวตายพระพุทธเจ้าก็ตามไปปลอบใจว่าพี่พระพุทธเจ้าที่นี่ทีท่กที่ล่างนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริง ถ้าอยาเห็นพระพุทธเจ้าตัว จ, จริงก็ต้องใไปติกษาปฏิบัติทําให้วัตรลืเห็นพระพุทธเจ้าตัวจริงคือคุณธรรมแต่ก่อนวรลือเห็นแต่ทละลาเหมือนกับพระพุทธรูปพระประธานนี่มือมือเท้าหน้าตาหูทางคออะไรแต่ต้วยงามที่สิ่เป็นทําให้พนนันหลงโลกพอดีถ้าวัตรลือปฏิบัติธรรมใเนเริญนปติ พระพุทธเจ้าตัวจริงก็คือกุณฑธรรมที่มีอยู่กับเราทุกคนอันนี้เราเข้าใกล้ได้เราเข้าถึงได้แง่ทุกวันนี้ก็ยังไม่น้อยสูญจะน้อยังอยู่มีอยู่พระธรรมก็ยังมีอยู่พระสงฆ์ก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่หมายถึงคุณฑธรรมที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนนี่แหละจะโกกเกลียนตัวเองมองตัวเองให้ให้เห็นว่า อย่น้อยก็ต้องมั่นใจว่าเรา ล, ละตนเองจะต้องไม่โง่ไม่ทุกจะต้องติกาให้เข้าใจในความมั่นใจใจตัวเองบ้างอย่าไปตีค้าตีละผ้าตีราคาตัวเองให้ต่ําทําไม่ได้ทําไม่ได้เนมันติดแล้วให้ถูทุกคนสามารถที่จะได้ยังไงแต่การวิธีอย่างนี้แนี่ยที่เราทำเนี่ยเริเรียนป๊ิ มีความเล็กๆมีความเล็กได้อาจปะยุกต์สันติพูดมาตอนเย็นเมื่อวานนม่ว่าอาจให้สติเป็นผู้นํำมอบสติให้เป็นใหญ่ท้องตัวเราตายและใจระวาใจใจตายขทาไหรให้สติเป็นใหญ่มอกความเป็นใหญ่ให้สติจะไม่ขัญญะก็แต่ทําอันใดจะพูดอันใดจะคิดอันใดอาจมีสติจะไม่ขัญญะรู้ก่อน ก่อนพูดก่อนทําก่อนพิดได้จะอยู่กับบ้านไันมีเวลาเดินจงกมมรมอาจจะยุกไปถ้าเราอยู่ที่วัดนี่ก็โชคดีน้อยเวลาเป็นของของเราทั้งหมดจะเดินจงกรมเท่าไรเท่าไรก็ได้จะนั่งชั่งเลื่อนอไว้มีสติเท่าไรก็ได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงสร้างเอาให้เป็นมาหาสติให้เีอให้มากมากจริงๆ ทดลองดูก็ได้หรือถ้าเราสร้างอรไรบทลูกแตรที่เราสร้างสถะติเราจะมือวางไว้หัวเขาว่าวันที่ตงนีมาถึงหัวเข่าที่เก่าตั้งว่าเท่าไรสามสิบสามสิบสี่รูเพียงสองวินาทีรูตั้งสามสิบสี่รูแต่ถ้าเราทําเป็นชั่วโมงหนึ่งจะเป็นพันเป็นหมื่นรูก็ได้ แพงกับตัวหลงถ้าเรามาให้ความยุติธรรมแก่เราจริงๆเนี่ยวันห น, นึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราอยู่กับความหลงหรือว่าอยู่กับความรู้อันนี้ให้ความยุติธรรมแก่ความรู้บ้างถ้าอยากทำกติสเกิด ว, ว่าเราทําไม่ได้แต่เราให้ความสะดวกแก่วความหลงมากมันก็เคยกินมันก็ไหลไปทางโน้นแต่ถ้าเราให้ความสะดวกแก่ความรู้ก็จเจริญในทางนี้ มันเป็นกดตายตัวมันเป็นธรรมชาติมันเป็นวิทยาศาสตร์เราคิดเรื่องใดใจเราเนี่ยมันกับผ้าติดขาสะอาดเยย้อนเปียนใดมันก็ตีดกันน่ะจิตใจของเราจะเดิมก็ปกติอยู่ต่อไปคิดเรื่องอดไเท่ามันก็ติดไปเรื่องนั้นจนเป็นผลเปจนนิสัยจนเป็นผลเปนนิสเป็นนิสัยอารมณ์ต่างๆอาการต่งตางๆของกายของ ใ, ใจนะ ถือว่ามันเป็นดางคำปลูกะด่างอาถือว่าเป็นตัวเป็นตนตางพูดให้ฟังเมื่อวานนี้ว่าแต่ความคิดก็ดีอารมณ์ก็ดีเรื่องของกายเรื่องของใจอาการของกายอาการของใจ ก, ก็ดีให้ถือว่าเป็นแขกที่ขึ้นมาไม่ยิ่งเองก็เลยมีอยู่ตลอดเวลาเป็นอารมณ์ตัวอารมณ์แทรกหีใจเสียวใจก็ต่างถือว่าเป็นดางคำปลูกะ ควรที่เราจะทักท้วงให้เข้าใจให้รู้จักว่าเป็นลักษณะใดเป็นมิตรหรือเป็นอามานอะไรก็ให้รู้จกักลองลองธรรมจิตญาลองดูมันจะรู้จะเห็นแต่ว่าเราในบูดหลวนมากจนตายไปใได้รู้จบย่อยไม่ได้รจักแยกมากจะเอาเป็นตัวเป็น ต, น, ตนไปเลยอางที่พูดในสิ่นก่อนมณฑก่อนโน่นบางคนเราจะจำได้บางคนเราจะจําไม่ได้ว่า <c oughs> ปริญญาเราเรปริญญา <c oughs> ของพระพุทธศาสนาให้ดูสามปรยยิญญาเราได้เรียนป ร, ปริญญาแบบบุายังญาตปรยยิญญากำหน ด, ดนรู้โด <c oughs> ยการเรยการรู้ญาตปรยยิญญากหนดรู้โดยการรู้รู้อะไร อะไรก็ได้ทีเกิดขึ้นกับกายกับใจที่มันเป็นอานกาโตกะก็ยิ่งดีใหญ่อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราความคิดความวิตกกังวลอะไรก็ตามลองมียาตะกลิญนยากำหนดรู้ดยการรู้ลองดูการที่มันรู้ก็บรรเทาสิ่งใดที่เกี่ยวกับบรรเทาก็ใช่บรรเทาสิ่งใดที่กดกั้นก็อดกั้นได้ สิ่งใดที่ปล่อยวางก็ปล่อยวางสิ่งใดที่เลิกที้งละมันก็ย่อมทำได้ตอนนี้เราไม่ได้เรียนปัญญาเด็ดเดี่เอาแต่คิดแต่คือไปโกรก็เอาทุกข์ก็เอาโกรก็เอาโลภ ก, ก็เอาหลง ก, ก็เอาเอาง่ายที่สุดก็เลยเป็นคนโลภไม่ใช่โลภไปเอาไรเอานาเลยโลภปราชญ์ทำไม่ใช่โลภหาเงินหาทองมากมากไม่ใช่ น, นโลภปราชญ์ทำเป็นโลภเอาอารมณ์ง่ายเกินไป ไม่มีปริญญาเรามีปริญญามาค้ำได้จักหน่อยเยดยาจะปริญญากหนดรู้โดยตามรู้ว่ามันคืออะไรเัินตุนอาการตกกะเสียเพราะเหตุปัจจัยหรือเปล่ามันตัดเปว่าได้ไหมในบางเรื่องเขาไปวันเทาไม่ต้องให้ดูเรื่องมากจนถึงอะไรมากมาย ที่รโกหกอย่างนี้ให้ฟังตั้งแต่าการท้าก่อนเกิรยาตะปริญญาติลักคณะปริญญากําหนดรูดโดยการเกริ็ดแจ้งว่ามันเป็นรูปเป็นธรรมอย่างไรเป็นสมมุติอย่างไรเป็นบัญญัติอย่างไรเกร่ได้ไหมหรือว่าจุดข้องไปเลยถ้าเราไม่เคยเกลแจ้งก็เป็นตัวเป็นตนอยู่แต่พิสคือจอมโกดก็เป็นตัวเป็นตน เป็นความโกรธหลอกเราได้ความหลงความดีใจเสียใจก็เป็นตัวเปนตนเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเฉดหลาย้ายคนที่ถูกความโกรธเปนหลอกเสียผ้ามามากมายแล้วมันหลอกโกดพันยาสามีโก ด, ญญโกดหมูโกดมีโกดเผื่อโกดแค่กระทั่งลูกตัวเ ล, ล็กๆมนรูดียงสาเลยก็โกดความโกด้ามันหลอกแล้วก็ไม่ฟังเสียงใคร แตห้ามจะตามอะไรก็มาอยู่แล้วตีเอาข่าเอาด่าเอาไม่ไอ้ใครเดี๋ยวมันก็หายไปความโกรธมังไม่ใช่ตัวเชิดตนก็ไม่เชิดเลยหลยังทีนี้ทุกคนก็ยังมีหลวงพ่อที่พูดอยู่นึก้ก็เคยมีเหมือนกันโกรธให้น้องตีน้องจนตกทันใดพอเป็นห้โกรธเกิดความสงสารเป็นไง เ, เราเราเสียท่าความโกรธ แต่ก่อนในลู้บางทงรูกมาปฏิบัติธรรมเองถึงความผิดพลาดเป็นบทเรียนมาตลอดรู้สึกเสียหลากหลงแมก้กระทั้งไปสู่บุรีเกือบตายไปโลกน้าสงสารปากทแทนที่จะอยู่สบายสบาๆมันก็ไปพลาดบุรีมือก็อไม่ได้อยู่นี่งไปไหนมาไหนต้องต้องอนต้องมีหอบบุรีมีไตมีอะไรเยอะแยะ พอมาลูสึดตัวก็โ อ, โอ้สองสามลูทาตายไหลเรโง่มาตั้งสามตีตีแต่นี่ไปเราไม่ตกเป็นท่านเธอแล้วหยุดกันตีทีเถอะเดี๋ยวเปียนกันแต่นี่ก็ว่าเนี่เยเป็นตีลักษณะจริงๆกำห น, นดลูโดยาการแกะแงว่ามันเป็นเหตุเป็นกัจใจจริงๆทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าไปมองเป็นตัวเป็ตนต้นเป็นรุ่นเป็นก้อนอะไรทั้งหมดมานะหัดเรียนกลิ่ยาโดยเฉพาะสติตัวนี้เป็นตุลาการเป็นทู้พิพาทกาเป็นผู้ที่จะต้องให้เกิดความยุติธรรมขึ้นมาเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจเรานี้ยกายใจของเราไม่ไม่มีความยุติธรรมนะบางทีกายมันรอดอย่างไะนี่มันอกอ้าใจมันก็ก้ังวนไปด้วย ไม่รูจ้จักแยกให้เกิดความยุติธรรมัวพันกันไปทั้งหมดตอนมร้อนควาหนาวก็ามหไม่มีติดลักษณะปริญญาไม่รูจ้จกแยกลองให้ลองพรมไปอย่านั้แล้วไม่มีตริญญาทหารปริญญ า, ะ า, ะญญาละได้เลยหนีไปได้บางอย่าง ให้จำเปนต้องไปโอกันก็ได้นแรงก็ได้อะไรแต่พิเลยก็ได้บอกตรงตรงก็ได้ยงให้เกียวหลุดได้เ็นได้วางได้ปล่อยได้ไ่ต้องไปเที่ยวเมื่อนี้แหะเราไม่เคยท่องเที่ยอยู่นี้ไปพ่องเที่อยู่ที่ไหนไม่รู้แต่จะนีที่เรา เจริญว so ิชากรรมฐานโดยเฉพาะเจริญจิตวิัญานนี่คอยรับรองว่าจะลูกไปอย่างนี้แหละจะเห้นข้นไปอย่างนีจริงๆเรื่องกาสนาเรื่องพุทธศาสนาการเจรเจริญมันเสียแล้วการนะเสียมันเสียแล้วทีนี้เราก็เป็นอะไรกันวกการเจนิญเจริญการเจริญมองออกขอกตัวไปทำ้น เราฉะนั้นทุกวันนี้แม่แต่โรคของพ่อเคยพูดให้ชาบ้านฟังตอนเ่าช้าปีห้าที่ภามาปบหวานเราควรที่จะเพิ่มคุณภาพคุณธรรมแล้วในโลกกนหนึ่งี่โลกอีกแม่แต่ในวิชาการที่จะแก้ที่จะป้องกันถ้าคนไม่มีคุณภาพคุณธรรมนั่ก็เป็นการแก้ท่กลกายเหตุ หลักของศ า, านสนาเึ็นสากลที่สุดถ <c oughs> ้าใครเข้าถึงหลักพุทธธรรมจริงจังแล้วพุ่งชรองเป็นความโลดที่ครบวงจรเป็นเศรษฐกิจเป็นสังคมเป็นสุขภาภพพาภรณาใหมก็ะตามมันครบวงจรเราจะไปอาศัยแต่วิชาการมันไม่พอแล้วทวันต้องมีคุณภาพแต่ต้องมีคุณภาพต ต, าพต่นี่ คนมีความรู้เยอะแยะเรี่องหมอเรื่องอะไรก็มีเยอะแยะ แ, แต่ถ้าไม่มีคุณธรรมก็จะไป ไ, ไม่ได้การการศึกษาหลักพุทธศาสตร์ยนะังไงให้เป็นขอให้เป็นวิชาเอกของเราครับวิชาเอกของมนุษย์ก็ไป ด, ด้วยกันเลยให้เป็นเรื่องต้นก็ต้องจำเป็นจําเป็นแน่ล่ะเป็นวิชาเอกของเรื่องควนเรียนรู้ แล้วก็มันก็ไมกยงในแบบไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรเงันเราเรียนวิชาอื่นเรเรียนวิชาอื่นต้องไปพัดบ้านพัดเมืองไปใช้เงินใช้ทองมีสัะถานที้มีวัะดุอุปกรณ์การเรียนการสอนเยอะเยี่เงินเป็นหมื่นเป็นแสนยังหาไม่ได้แต่เรียนวิชาพุทธศาสนานี่ไม่ลำบากถึงขนาดนั้นเียแต่เรามีเจตนาที่จะสร้างความรู้สึก ขึ้นมาพยายามไยุกกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราไปยุกก็คือเติมเติมความรู้สึกลงไปอัดเติมไปค้าเลยก่อนไปค่าจะได้พคารื่องานต่อไปจะคล่องแขวขึ้นมาเองที่แรกก็อาจจะยากหน่อยของการทวนกระแสของความเคยกินเราเกิดมาชีวิตถึงกูณ น, นี่เชียงนี่แล้มันก็เคยกิน ได้มาทนรับแกดทนอไรอย่างบางคนก็มีคอนสว่านน้อยเย็นเย็นมาแต่กเนแดง่ายง่ายมาแต่ไหนแต่ไรเลียเลียเย็นเย็นติดุิดกองวางก่อยก่อยคนนิสัยมาก็อาจจะมีบุญบ้างแต่บางคนไปติดอะไรมาไม่รู้เยอะๆเยอะแยะไหมดพลังพลังไปหมดมีความดุตันเท่มันอะไรมาเยอะแยไปหมดตู้มากระยะนาน อาจจะงินอาจจะลงแรงสักหน่อยตอกแรงสักหน่อยไม่มีอะไรพวกเราจะได้มาปิดลี้ร็ต้องมีการลงทุนลงแรงปฏิบัติบ้างเป็นกระตีนญญาณท่เราจะขอเอาจิตวิเอาแม้แต่พิธีกรรมทางศาสนาที่เราทำเช่นถ้ามาขอสีลวงพ่อก็ให้สินแต่ถ้าพิจารณาดูแล้วมันมันไม่ใช่กลับไม่ใช่ผูกขอได้จรินหรือไจิน ของพ่อก็ให้สินได้จริงเรก็ถือว่ามันง่ายๆเลยนะถ้าพากันมาขอสินของพ่อก็เป็นผู้ให้สีนถ้าจะพูดให้ถบกอ่อนนั่นเจ้าหน่อยก่อนที่จะพูดยังไงหลวงพ่อถอยจ้าอย่างไหนไลองว่ากันเถอะน่าขอนให้ดีเถอะหลวพ่อจะให้สินใดอืดีปอนที่พูดแไดวน้อยๆถ้าจะพูดละไป สมมาท่านสินพระเป็นผู้บอกสินที่ใช่แน่นะนไปสมมาท่านสินหลวงพ่อเป็นผู้บอกสินเพรนั้นไถ่ก็จังสีจังสีเขาบอดีเลยแต่นมีเจตนางดเว้นจากการพาช้าสินจริงกเขคือเจตนาเละเจตนาหังนจิตเวทีหลังวธานิที่สื่อทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาละเป็นสิน ลองมีเจตนาอยู่ที่บ้านลองดูอยู่กับลูกกับล้านนี่แหละอยลงครัวมีเจตนาเติมเจตนาลงไปที่จะให้จิตเก้าหมองรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยจะให้ปูปูแตกเจตนาลงไปหินเราจะอยู่ในรงครัวก็ะดานอยู่กับที่หลับที่นอนอยู่กับบ้านกับเรือนั่นแหละมีเจตนาที่จะเติมเจตนาลงไป จ, จะตกแก่งเรา แต่งเอาเติมเอาต่างบุญวาทนานติดแต่งเอาวาดเ่าเขียนเอาแต่เป็นคนใจดีใจงามถ้าเขียนลงไปแต่เก็นคนมีสติกับเติมลงไปแต้เอาลุจเิดจริงๆคนนี้จิตโสมนุษย์กับปติลาโกการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเปลากอันลุจเจตจริงๆพัฒนาได้แต่ปติราคาเราส่าเกินไป วิธีที่ปฏิบัติทำเ น, นมันก็จะไปถือว่าเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเกินไปและไม่ยุ่งยากเกินไปแต่ทำให้ผมก็อาจจะไม่รู้กราก็เอาเรื่องย่างเ <c> ช <oughs> ่นยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ยกตัวอย่างพระอะไรจำได้สุดทุนเมื่วานน่ะพระอะไรพระอะไรจำได้ พระอรหันต์ว่านเที่งอยกยังใครทำได้ยกไม่สิ้นพระยังพระยังเที่ยงข่าวว่านก็จะยกกันได้ปะถ้ามหาการจับปาก็มาการจัป๋นี่นี่คือเสะไรต้งไดเป็นพระอรหันต์ แต่ไม่ดูรเราเรื่องพระกาเจริญหรเราเรื่องพระอนุนธรรมะการเจริญนี่คุณธรรมทั้งหลายไม่หัวแน่ที่สุดจนมีมนเพื่อนสาเร็จพบเพื่อนอยู่ทีนึงเนาะไปอยู่บริเณเนาะทํอให่ด้ที่หลังได้เราในโลการามตั้งไหให้หลวงพ่อจำผู้เดียวมันไ่ไหวแล้วเ้าพุตตะวิสัทธ์ผาจิกวลานต้นนี้ที่หลวงพ่พอเหว่ยหนึ่งมันก็ไหวบ่สมดุลศาสากน้าเลยมามอบกเจ้าหลวงพอ่อจุ ถ้าวาจ้องค่อยกันไม่ไน่เลยแันไดพ่อจําพ่อนั่มไปสอนจ้องเดไกจะสอนหลูกสอนหลานอย่า้พระมหาคจะปะนี่จุดเด่นเอกหลักหนึ่งภรร่าเมียงหูฟังในถ้ำที่คนหลูกคนได้ยินบอกปาาสะกัดบอกเวรสองนี่สติใส่ในสายบอกภรรยาเหมือนกันหลงสาม ขลบตีดข้นพูเถาปูปันกลางต้งนนมโมยเยียนตีบอเป็นข้นทู้ง่วงทีคว่มอ่อนน้อมทองตนหากจะปะปฏิบัติทมตีสอนได้เป็นพระรารทำไปได้ได้ว ย, ยี่ลือเรื่ังคาโน้นหนึ่งถ้าโน้นหนึ่งรู้มากกว่าโม่จนมีเอตะทักะในทางพระหูสุ จำธรรมเทศนาของพระเจ้าได้เบิดลทุกวักสุกสอนสถานที่ที่ใดจะแดงให้เจ้าก็ได้ฟังพานนจําำได้เลยแต่ว่ายังบ่ได้เป็นพระอาติตาบุคคลเป็นไม่ที่สุดถูกมู่บังคับพรามหากจะปรานีละบังคับปาร์ติทั่มสังเทยนาหากปราณีจากพานนต์เราก็ได้เพราะพานนต์นี่จได้มาแต่พาที่ิทั่มสังเทยนาต้องเป็นพระอาติสาบุคคล หายถึงเจ็ดพันล้านถาน่นแต่ขามากจะชับบังคับพนนต้องทำก้อนเทียนให้ขึ้งแข็งเื้นนี่เอื้อนจะทำจังใจหน้ากำลังกัดข้างก้อนเทียนอนี่ยหมอรับก่นอนอยากลูบอยากเห็นทนายที่ทำก้อนเทียนต้องกาอยากลูกนี่พอน้อมมาทําังไงอยากลูบอยาเห็นน้อยทั้ว้นเจนสันการล้านเสันก็เป็นนั่นกัน ใมันือรู้เนาะจิตันานอนจิตจิกัอยากรูอยากเห็นมากๆเลยนะจ น, นแสนเงินแสนทอง บ, บ่ได้หลับบ่ได้นอนบ่ได้หลับบ่ได้นอนเลยในเนาะเร า, ก, ากับํามาจการนี้เล้วบ่รู้ตรงนีน้ง่าตขนไหนพักวใจะ่อยกันอเลว่างใจทำร่างเสรนอนหรือบทที่หัวบทที่หมอนได้เกิดเป็นยานย่านจิตมา ตอนนั่นหมายความอย่างไรคใจมันว่างอยู่เตื้อๆคิดใจว่างที่มันปลอบเพราะจะหลูมเพรมยังมารวมคิดใจขด้อดีการตาโลกคนเพี้ยนจะเขียนจะคองหลบางที่มันโห่อยู่แหละมันบอดดื้อตอนนนก็ไปจำไปจีร่าเศษสบายสบายหลกบบอบกันยังมาหลก็บอบกันยังยกปอดได้เมื่อกลุ่ยๆก็เอาแล้วพอแล้วไห้ทําตงต ยาไปเฮ็ดพ ย, ยันหรือเด้๋ยวคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ให้มันชัดเจนการทําความเพียรนยี่ยยาให้มันเลื่อนล่างแม้จะทําน้อยแต่ให้มันชัดทำมากมากแต่ว่ามันเลื่อนล่างบ็ดีมันใช้เลย ด, ดีดีเป็นเป็นลักษณะของผู้กาลบความเพียรขั้นดีสุดหาเทคนิคในตัวของเทคนิคนี่ บ่มีสูตรสําเร็จต้องขํามเอาเองไม่ต้องเรียนรู้จาของอืการตลกคนเนนดียวิธี่ใดมันหลูกตอนใดมันลงมันจบลงวันไหนจุดตอนจะวันไหตัวเองต้องรู้เพราะมันทำนั่นมาเกี่ยวกับตั ว, วเราห้าแกได้อาจารย์ขเก็จริงๆก็เคอกอนข้ามไป ทำว่ามันมันหลุดออกมันส้อนเอาได้บทเรียนเยอะแยถ้าเอ า, า, าสังเกตเป็นค้สังเกตเพราะฉะนั้ น, น, นก็เกี่ยวกับตัวเรานี่ยแล้วพากันศึกษาพระกันตั้งใจเพื้นทีน่เราพระอาหารหันต์อีกบางลูกให้ตั้งอีกผู้ที่เป็นผู้ท่าห o r n s สอนตัวเล่าบาทแปดสิบลูกอรหันติที่เอตตะถะ ลองศึกษาแล้วก็ไปยุดมั่นใจชีวิตของเราวัลลยังทำก่นอนนะคอยเาไมีสติวัลลูยังจังคอยยกกีกงหนึ่งที่วัลลูยังจะเลยกชื่ อ, อ, อจินทบันทกนี่ที่ใ้อยู่เด้อมาหาจินทบันทบบันทกนองเตวายจินทบันทบเตวาจนทบันท ใกล้ออกมาวใก้ได้สำเร็จเป็นพระอาเรียบบคุคคลต่นองใกล้หย์เเรียน n o a ก็พอได้ก <c oughs> ดก ใ, ใกลไใ้ได้ไล่กกะไมนี้ตายคนนอนใก้ก็เลยห้องให้ใจโดยาว็บบทราบเรื่องนี้เลยเรียกแขาดวาีใกล้ไล่ึกไ่อยากติดเพราั้นไล่กพเรียนยยยจบได้ เยตอกระจกกินทับวันทุกข์อเจ้ากิดวันห้าดอพกต้องตื้อก็เลยมอบผ้าขาวให้เีนึ่งนนอยในก็ฝ้ามือหน่อยละท่านกินจินตนาการฟาได่ให้นทัาวันทกลูกทนี่ได้ลูุสทามบ่เห็นนะการิบวรกรรมละแม่โจ้อะไรนางม่โจ้อะไรนางมาโจ้อะนางลูกพาดึงใส่แล้เรียนาษะ ในที่สุดพาที่ลูไปเกิดดั่ลยนมากแต่เกิดย่านกันมาทันทีก็วิจัยของเราเท่อนั้นแต่การาฏิกาดบริสุทธิ์พอได้ยินได้เห็นได้กินได้เลนได้คินเล่นนั่น็ขเลยเจ้าเลยมองเลยเกิดเลยเกิดหนมาเกิดย่านกป็นย่้นเท่าเลือดเทียบก็เลียดเทียบก็นได้ความสำเร็จเท่าโงงโล่งหรือทังดเกหกปัญญาเมองอย่างกระนการคิดาไปทั้งบิด ขาโง่จมูกกลิ่นกายใจลูกรลดินเฉียงลูกกายวาจายยังั้งเล็ดลูกแจ่เลยเ่งจะลูกผ่าไม so so so so ่ต้องเลื่อนอังศ์ก็เข้าที่น่นอยู่ไหนี้นบ่โง่ปั่นกินทะบันโคลอยากจะบ่มีใดรจะผ่าค้นตายนั้นกับอตรงคุยมั่นเลยเป็นค้นดีขนาะพออแล่สามารถดูได้ทุกคนอะอันนี้าองตอไ ต่อมาจะอะไรเนโกรธถามตั็นีอยู่แต่ว่าคนละมือตัวคนละมือบนนเทศโกรธจะโกรธกรธทานยะแต่โยจังโยจังจะล่าเก่าขานี้แะบนโกร อ่าบัพปะฏิยาปฏิยังวันัสีแม่ม่าสิเทศดจะโกรจะกนทายาในเรื่องเข้ามาจากกระปุกสนสุต่อมามาเทศนัตตาลัณนสูต่อมามาเทศดอมุขีประกัถาโกรจะยาชาวกุลิตอรู้คนเดียวกันทั้งบริเวณอ่ายกสีปัตนะเพราะไก่ขันห้างกันระาณจักเจ็ดสองเจ็ดนี่โกรธโลกันแล้วทั้งห้าองค์ เออทั้งหายก็เป็นข้อมตคัญพ้อละหนึ่ทงทั้งหลายเทียนเทียนกลอนทัญญาเนี่ยเอาเียนกลอนทัญญ า, น, านี่ยหลู ก, ก่อนมหแข่งแย่เทิดกันแรกแต่ต้มาเทศนาธถ้ามาจักรปรวัตนาสูจะขึ้นเดินทางถ้ามจัก็ที่ท่างทา้งติดตรง ไก่จัด้วยจัดก็ไมี่เป็ น, นึงลูกก่ันเพื่อมมาปฏิป ท, ทาเทิดเดิางธรรมจักรพราะราไม่สูตรเทศเรียงขันหางล <c oughs> งลูกเรียง น, น้าเลี้ยงเรียกเงินทางบัตรเดียร์ทำเลยอันเข่ามายกมือก็เป็นการเทิดจะของตั่งเด่นเล็กจีเลกจว่าเรืงการเทศเป็นการแตกแยงเป็นการลู กะร่งสแสดงภาพในตัวของต่างดีกว่าลองพอเทิดกันอะไรสัมผัสผิวจมเลยซื้อร้องอย่างง่ายๆๆยอดเยี่ยมที่สุดการจะเิ่จนจะตัวเป็นการเทิดทียอดเ ย, ดดดดยีสส่ยมโดดมเดิมเยเป็นของจริงสาพุแล้วคืกันโน้